เรื่องพิจารณาก่อนตักอาหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญเรื่อนสหธรรมิกและท่านผู้บำเพ็ญเหลกขมะจารีเนกขะมะจารีผู้ทรงิ่งทั้งหลายแบบนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้ตักอาหาร ใส่พาชนะขบฉันของตนเองเพื่อบริโภคเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรมจรรย์ของเราก็บัตรนี้อาหารเครื่องบริโภคบิณฑบาต ท, ทั้งหลายได้นำมาตั้งเรืองรายไว้เฉพาะหน้าแล้ว ประกอบกับความหิวและความอยากของกิเลสตหาซึ่งเราได้เคยตามใจมันมาตลอดบัรนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้สนองตอบความอยากและความ ห, วหิวอยู่นั้นขอให้ท่านผู้บำเพ็ญเนกธรรมจรียเนกธรรมจรินรีและเพื่อนสตัตว์มดิกเหล่าทัาพิกสุสงององค์สามเนรทั้งหลายได้พิจารณาแยกแยะ ระหว่างความหิวและความอยากออกจากกันพยายามบรรเทาความอยากให้ลดน้อยลงและจงอนุเคราะห์แก่ความ ห, วหิวความ ห, วหิวนั้นเป็นเรื่องของทางร่างกายร่างกายมีตั้งอยู่ได้ด้วยการอนุเคราะห์เป็นที่ประชุมบองแห่งมหาโพธิรูปดินน้ำลมไฟ เมื่อมหาพูตรูปตั้งอยู่ได้ก็เป็นที่อาศัยของจิตสิงญารอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปตักใส่ภาชนะนั้นเป็นส่วนที่เป็นธาตุดินและก็ธาตุน้ำและก็มีธาตุไฟอยู่ในนั้นอาหารบางชนิดมีความมันมีความร้อนให้แก่ความร้อนแก่ร่างกายยังมีดินน้ำ <c oughs> ไฟ อยู่ตรงนี้และก้อลมที่เราหาจใจเข้าหายใจออกร่างกายอาศัยหยุดได้ด้วยดินน้ำไฟลมมหาพุทรูปบัดนี้เราจะเพิ่มธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเข้าไปในร่างกายในขณะเดียวกันมันก็ขับถ่ายหมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาให้ดีการที่เราบริโภคอาหารนั้น เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปมหาภูตารูปทั้งสี่เมื่อขาดอันใดอันหนึ่งก็แสดงออกทางจิตวิญญาณให้เกิดอาการโหยหิวในขณะเดียวกันกิเลสตัณหาซึ่งเคยอาศัยอยู่ในจิตตรงนี้ซึ่งมันมาอยู่เนี่ยผูกมหาภูตารูปร่างกายนี้ก็จะเพิ่มความอยากขึ้นมากขึ้นอกีกเหตุนั้นขอยท่านจงแยก ความหิวและความอยากออกจากกันเสียก่อนให้ได้ความหิวเป็นเรื่อ ง, องของร่างกายต้องการอาหารดินน้ำไฟลมเข้าไปผสมส่วนเพื่อจะอย่างอนุเคราะห์ยังอัตภาพนี้ให้ตั้งอยู่ได้สิ่งแสดงอาการออกมาคือความหิวส่วนความอยากนั้นเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการของกิเลสซึ่งเมื่อเกินจําเป็น เพราะเหตุนั้นการที่เราตักอาหารเพื่อจะนำไปบริโภคในวันนี้นั้นขอให้อนุเคราะห์แก่ร่างกายบรรเทาความ ห, หิวหิวแต่ท่านจะได้อนุเคราะห์แก่ความอยากเพิ่มพูนกิเลสเลยขอท่านจงตักอาหารนี้เพื่อบริโภคแก่ร่างกายอนุเคราะห์แก่ร่างกา ย, กกากายให้ร่างกายตั้งอยู่ได้เพื่อประพฤติธรรม แต่ท่านอย่าบริโภคเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสตั้งอยู่ได้งอกงามไพ่โบนและจะทำให้เรานี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท่องที่อยกไปมาอยู่ในวัฏสัองสารไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดด้วยอำนาจแห่งกิเลสและตัะหาอัญญาพุนเชนะย่าเป็นตังกามสุอนะเปกินันติ จงบริโภคอาหารอันเจือปนกันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามคือความอริสอร่อยทั้งหลายเราจะไม่อาไยกับความอริสอร่อยแต่เราจะบริโภคเพื่ออนุเคราะห์ร่างกายนี้ให้เป็นไปได้แต่ถ้าท่านมัวลุ่มหลงสยบอยู่กับความอริสอร่อย ท่านจะอนุเคราะห์กิเลสให้เป็นไปและก่อให้เกิดความทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจของกิเลสัต่างท่านสาธุชนเพื่อนสะธรรมิกเกกัมมจารีเนกัมมจารีนีผู้ทรงศีนทั้งหลายขอให้ท่านจงพิจารณาให้ละเอียดท่านอย่าได้ตักให้มากเกินไปจงกำเนิดถึงท้อง น, น้อยๆที่มีเจ้า ในกระเพาะ อ, อาหารของเรานั้นสามารถบรรจุได้แต่ความหิวที่ร่างกายต้องการแต่กระเพาะ อ, อาหารนี้ไม่สามารถบรรจุความปรารถนาความอยากของกิเลสให้เต็มได้วันนี้ถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นขอท่านกําหนดให้เกิดความพอทีและจงกําหนดตัวว่าเรากินอาหารกี่คําจึงอิ่มพอที แต่อย่าให้น้อยจนเกินไปจะเกิดความลำบากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะเกิดอาการเนหน็ดเหนื่อยเมื่อเวลาหิวโหวยแต่ขอให้รู้จักคำว่ามัดตันุตารู้จักประมาณประมาณในการกินการนุ่งหม่มการหลับนอนรู้จะประมาณในการบริหารตนเองให้จบเป็นสุขอย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งก็คือว่าในโลกนี้ยังมีคนอดจากโหยหิวอีกเป็นจำนวนมากนัาเป็นสิบล้านร้อยล้านทั่วทุกมุมโลกในแอฟริกาในเอเชียนี้ก็มีในยุโรปบางส่วนและในเพื่อจะกระพบของโซเวียตรัสเซียซึ่งกำลังวุ่นวายกันอยู่นี้ก็กำลังโหยหิวขาดแคลนอาหารกันทั้งนั้น แต่พวกเรานั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ไม่ได้หมาด้วยความรู้สึกขาดแขนเราไม่ได้ขาดแคนอาหารอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ขาดแคนเครื่องนุ่งหมที่บ้านจึงมาที่นี้เราไม่ได้ขาดแคนที่อยู่อาศัยจึงมาที่นี้เราไม่ได้ขาดแคนปัจจัยสี่จึงมาสวงหาณที่นี้แต่ตรงกันข้ามเรานั้น อยู่ที่บ้านเราอยากจะอยู่จะกินกี่ครั้งกี่หนก็ได้แต่เรามาที่นี่เพื่อจะฝึกฝนเพื่อจะอบรมตนเองพัฒนาตนเองให้รู้จักความพอตีอยู่ที่บ้านเราอยากจะนุ่งห่มอย่างไรเราก็นุ่งหม่มตามใจป่าถนาเราอยากจะหลับจะนอนกี่เวลานาทีแกกี่ชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าแต่เรามาที่นี่ กินน้อยนอนน้อยสร้างความพอดีนุ่งห่มแต่พอดีให้เกิดความพอดีแก่อัตภาพแก่ร่างกายฟื้นใจค่มใจปกใจให้ตื่นขึ้นให้ลุกขึ้นควบคุมใจไม่ให้ะเย อ, อทะยานไปตามอำนาจของกิเลสตหาด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรจะมีปัญหาแก่พวกเราในการกินอาหาร ก็ขอให้จัดการให้มันพอ ด, ดีพองามอย่าให้มากจนเกินไปมองดูเพื่อนสะตํานิดมองดูเพื่อนฝูงข้างหลังมีจํานวนมากถ้าหากเราเอาตามความปรารถนาแห่งความอยากมันอาจจะมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายแล้วมันจะไม่เหลือไว้เพียงพอสําหรับเพื่อนที่มาข้างหลังขอให้พิจารณาให้ดีพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้า ท่านคอยแนะนำพร่ำสอนถึงเรื่องการกินว่าจัตตารโรปัญจะอาโรเปพุทธวาปิเวอรังพาสุวิหาหรายปัญ ต, ตัดตัดสะพิกุโนดูก่อนที่เธอทั้งหลายเมื่อเธอบริโภคอาหารหรืออยู่ก่อนจะอิ่มสี่ห้าคำเธอพึงหยุดเสียยแล้วบริโภคดื่มน้ำเข้าไปมากๆ นั้นจะเป็นการปฏิบัติความเป็นอยอันพาสส์เหมาะสมแล้วแกเธอผู้มีตนอันส่งไปแล้วในธรรมวินัยนี้คาว่าเป็นผู้มีตนอันส่งไปนั้นก็หมายความว่าผู้ที่แยกออกมาแล้วจากเยา้าจากเรือนเพื่อประพฤติปฏิบัติคัดเ ก, ากเลาเกลเอตตัญหาเพื่อพัฒนาจิตใจตนเองยกระดับจิตใจให้สูงส่งพ้นจากอานาจควบคุมของกิเอ เพื่อนสัธรรมิกและท่านผู้บำเพ็ญเดกมะมัจารีเดกมัจารีนีทั้งหลายลองดูก่อนก็ได้ว่าถ้ า, าวันนี้ท่านตักอาหารเรือไปเนื่องจากว่าความอยากมันมากกว่าความหิวก็เลยตักเอามากๆเสร็จแล้วท้องของท่านไม่ได้ขยายไปด้วยกระเพาะของเราบรรจุได้เฉพาะความหยหิว เพียงพอที่จะบรรจุให้อิ่มได้แต่กระเพาะนี้ไม่สามารถบรรจุให้อิ่มเต็มสำหรับความอยากได้ด้วยเหตุนี้จิงกินไม่หมดเมื่อบริโภคไม่หมดก็จะเอาไปทิ้งไปเทเสียซูนเสียไปเป็นจำนวนมากทำให้เราได้คิดได้พิจารณาเสมอทึงคำสั่งสอนของพระสารดา เมื่อเรากินอิ่มจนไม่หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเวทนาความอึดอัดเมื่อร่างกายจะต้องย่อยอาหารอย่างหนักหน่วงที่บริโภคเข้าไปจากานอนมากก็จะก่อให้เกิดเลือดไม่พอที่จะเรียงสมองความง่วงซึมเกิดขึ้นเกิดความง่วงเหงาหานอนซึ่งควรจะเรียกว่าเวทนาใหม่การประกอบความเพียรของท่านก็ไม่จเจริญก้าวหน้าเมื่อลา น, นั่งสมาธิภาวนา ก็มีแต่ความง่วงเหงาหงาวนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไปว่านิถาตันธิพิชมว <c oughs> ิชมพิตาอรารติพัตสัมมโตอาวะสันติสรังฆธาพระภูหิปริปันธโยอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียดคารานความง่วงเหงาหาวนอนความไม่ชอบใจ และความเมาอาหารที่ตั้งอาศัยอยู่ในสรีระ่ของท่านในขณะนี้เพราะเหตุนั้นความง่วงเหงาห่านอนก็ดีความหลับก็ดีความขี้เกียจก็ดีมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกันเพราะมันเหน็ดเหนื่อยอันเกิดจากความง่วงเหงาห่านอนซึ่งมีสาเหตุมาจากความเมาอาหารที่ภาษาตดาตารัดว่าพัตสมมัตโต การเมาอาหารคือการจ้อยอยู่ความยากลำบากนั่นเองท่านก็จะง่วงเหาวหาวนอนการประกอบความเพียงของท่านก็จะเต็มไป ด, ด้วยความยุ่งยากลำบากด้วยเหตุนี้เองชึ่นเป็นการสมควรแท้ที่เราบริโภคอาหารหรือเพียงสี่ห้าคำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วเดื่มน้ําเข้าไปมากๆพระสารีบุตรเสนาบดีแห่งกองทัพธรรม ท่านได้ทรงพร่ำสอนสิทธิ์ของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้เป็นประจำประจำยังความเจริญทางจิตใจทางวิญญาณให้เกิดมีแกเ่เราบริวารลูกเศรษฐลูกหาของท่านมาแล้วเป็นจำนวนมากนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันเพื่อสะทมิตและท่านเดกมะจารีเดกะมะจารีในทางไลยอารมารเชื่อว่า ท่านไม่มีความอดอยากอยูที่บ้านที่ท่านมาปฏิบัติธรรมนี้เพราะชาติชรามลนะโสกัปปริเทวะเพราะเหตุว่าชีวิตมีปัญหาคือความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านรอคอยอยู่ท่านจะมาประพติทธรรมเพื่อชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอนิสอยากสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เอง ขอให้ท่านได้พิจารณาแม้กระทั่งการกินอาหารการตักอาหารทุกขณะจิตทุกขณะแห่งการเคลื่อนไหวทางร่างกายการเคลื่อนไหวใจนึกคิดจิตสำนึกความรู้สึกทุกอย่างจงมีสติสมัชัญญะรู้สึกรู้เท่าทันอย่าได้ตามใจสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราก็ได้เคยตามใจมันมาแล้ว เป็นเวลาตลอดการอันยาวนานหลายชั่วชีวิตในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สดนี้ด้วยเหตุดีเองขอให้ท่านได้เข้าใจว่าการที่เรามาตักอาหารอย่างช้าๆเลือกเอาเฉพาะส่วนที่พอดีไม่ได้เอาตามแต่อยากนั้นอยากได้เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านเรียกท่านเอื้นเรามาเพื่อทรมานทรมานแท่นน้อ กินก็ทรมานตักอาหารก็ทรมานนอนก็ทรมานเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาอย่างทรมานโอ้นี่มันอะไรของเราขอให้ท่านคิดใหม่สักว่านี้คือการทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเราไม่ใช่ทรมานชีวิตกิเลสตา่างหามันเคยทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกลับมาแล้ว พระสารตถาได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพิขุทังหลายในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องตน้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายที่ยังไม่ไประจักษ์แย้งซึ่งอริยสัจทั้งสี่เพราะเหตุแห่งอวิชชาเป็นเครื่องอันตัญหาเป็นเครื่องผูกเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องที่โยไปมา ในวัตถสงสารนี้เป็นอเนกชาตินับเป็นประมาณไม่ได้กีโกรดกับเธอก่อนทุ่สตร่างหลายน้ำนมแห่งมารดาที่เราและเธอตั้งหลายได้ดื่มกินชาติแล้วชาติเราในวัตถสงสารนี้ที่เกิดมาถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำไหนมหาสมุทรน้ำโลหิตคือเลือดที่หลั่งออกมาจากคอของเราเมื่อถูกตัด ถูกทิ่มแทงเมื่อเราเกิดเป็นสัตว์เดลฉานแพะแกะเป็ดไก่สุกรชาติแล้วชาติเล่าเมื่อเอามารวมกันก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรน้ําตาที่เราเละเธอทั้งหลายได้ลากลังไหลออกมาเพราะความร้องไห้อันเกิดจากความทุกข์ในการพัดภ่าจากบุตรภรยาสามีบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว ชาติแล้วชาติเราถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรก็ดูกองแล้วเท่าภูเขาที่เราได้เกิดมาได้ตายไปชาติแล้วชาตเราดูก่อนพิสดาร์ลายเมื่อใดเธอได้เห็นเศรษฐีคือหักบอดีกษัตริย์อันมหาศาลในเวทแหวนพามหาศาลหรือไม่พระเจ้าจักรพรรดิหรือทิ่ผสมบัติ บ, บนสวรรค์ เธอตั้งหลายพึงสรุปได้ว่าแม้เราเองก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตชาติที่สุดทั้งหลายยามใดเธอได้ประสบพบเห็นคนทุกข์ยากลําบากคนขอทานโลกเลินคนพิกลพิการตาบอดหูหนวกเมื่อนั้นเธอจะได้รังเกียจเบียดฉันพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เรา ก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติในวัฏสงสารอันยาวนานโอภิกษุทั้งหลายเข้านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะนายในสังขารทุกในวัฏสงสารมีความไม่เที่ยงแท้ของสิททั้งหลายเธอทั้งหลายจงภาคเพียรจงพยายามจงฟื้นกิเลสฝึกหัดตนทอนตนออกจากทุกพ้นไปเสียจากวัฏสงสาร ถ้ามิเชนั้นแล้วเธอไม่ถึงซึ่งความแน่นอนในพระสธรรมเธอจะต้องเทียวไปเทียวมาอยู่เช่นนี้จะเสียใจไปเป็นเวลาอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับฉะนั้นพระาศาสดาได้ตัดคำนี้อยู่ไป่อยว่าอิทะเจนังวิราเทสิสัธรรมมุสักนิยามังกังกิรังตะวังอนุตตะเปสิเซริวะอย่างววานโย ถ้าท่านพลาดจาความแน่นอนในวิถีทางแห่งธรรมพระธรรมในศาสนานี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อขาผู้ขาดทุนอย่างจ้อยยับชื่อเฟรีวะฉะนั้นด้วยเหตุ น, นี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติข่มใจฟื้นใจทรมานกิเลสตนานนี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อขาดทุน แทนที่จะได้กินอ ร, อร่อยน อ, น อ, รอร่อยนอนอร่อยร่อยตามใจตนเองอย่างสะดวกสบายนั้นมันเป็นกำไรของชีวิตหาไม่ได้เราเคยขาดทุนเช่นนี้มาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฎกันวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ขะนะดนี้เราจะทวนกระแสปฏิโซตะคาหมิงทวนกระแสแห่งกิเลสปัญหาทรมานกิเลสปัญหาย้อนหลัง เพื่อไปสูวความแน่นอนแห่งพระธรรมในศาสนานี้จึงไม่เป็นการทรมานตนเองเลยหากแต่เป็นการทรมานกิเลสซึ่งมันเคยทรมานเรามาแล้วหลายแสดชาติหลายโกรธับฉะนั้นเพื่อสัต ร, ร ม, มิกลยท่านผู้บำเพ็ญเดชกรรมะจารีเนกรรมะจารีนทั้งหลายอาหารที่เรียนรายอยู่เฉพาะหน้านี้นั้นเกิดมาจากแรงศรัทธา ของผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจอันงดงามผวกคนเหล่านั้นต่างก็เป็นคนที่ร่ำรวยด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยคุณธรรมแต่บวกคนเหล่านั้นก็เป็นคนขาดแพลนโภคทรัพย์สมบัติภายนอกมากด้วยน้าใจ จึงเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดไว้เป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคุณงามความดีเอามาทำอาหารเลี้ยงดูพวกเราบางท่านก็ขอจับจองเลี้ยงทั้งหมดแม้จะสูญเสียเงินทองเป็นจังหวนมากแต่ก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่คือบุญคือกุสลแม้เราทั้งหลายก็จงอนุเคราะห์บุญนั้นด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติอันดีอันงาม สังรวมในอาหารสังรวมในเองสีของตนเองให้เหมาะสมแก่กสมณสารูปแก่พรหมจันทร์ที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เพื่อนของเรามีจํานวนมากที่กําลังเดินตามมาอาหารที่กําลังตักใส่ภาชนะอยในขณะนี้ขอให้กำเนิงถึงท้องน้อยๆ่าให้มันล้นเหลือและเผื่อแผ่ถึงผู้ที่ตามมาเบื้องหลัง าการกระทำเช่นนี้เป็นการฝึกหัดขัดเกลารอบรมนิตาบาลมีนิตาธรรมเพ่ความรักไปยังเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมถ้าเหลือจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบุคคลอื่นต่อไปอย่าให้มันเลื่อนในภาชนะเพื่อจะเอาไปเทศ ท, ที่ทิ้งๆว่างๆพระศาสดาไม่เคยสระเสริญ และพระองค์ทรงกล่าวว่าบุคคลผู้ประกอบวิธีธรรมสามประการนั้นแม้จะอยู่นาที่ใดการประพฤติการปฏิบัติของเขาก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหนึ่งเป็นผู้สารวมตาหูจมูกกลิ่นกายใจควบคุอคมอารมณ์เมื่อมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีความนึกคิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจ ไม่มัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นรับรู้รับทราบแล้วก็ให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปไม่ถือดิมิตและพยันชนะไม่ถือดิมิตและอนุพยันชนะไม่กว่าว่าไม่ถือเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เราน่ารักน่าชังไม่ตามคุ้นทิศถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้มันผ่านไปท่านเรียวกว่าอินทรียีสัง b o ร d หลังจากนั้นโพชะนีมัตตันยตา เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากไม่น้อยพอดีพอดียังอัตภาพให้เป็นไปก็จะเกิดประโยชน์ส่งต่อไปเช่นชาขิยานุโยกตามประกอบความเป็นผู้ตืน่นไม่นอนสุมกระเธอเมื่อมีความรู้สึกแล้วก็ตามประกอบการลุกขึ้นอุทานสัญญา ตั้งความสำคัญมตนหมายสัญญาแห่งหัวใจสัญญาในสำนึกไม่ได้สัญญากับผู้ใดแต่เราสัญญาไว้กับหัวใจเราเองว่าอุทานรสัญญาตั้งใจไว้ว่าจกลุกขึ้นทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาได้ตื่นแล้วยามใดเราตื่นเราจะลุกขึ้นเราจะไม่นอนมันต่อไปการประกอบความเพียรที่มีองค์ประกอบสามประการนี้ รวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคและห้ามประกอบความตื่นอยู่เสมอเช่นนี้ภาษาตระด า, าว่าเป็นอปันนักะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดจากําวินัยเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อความกล้าหาไม่มีทางถอยหลังแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์จะอยู่คนเดียวที่ใดก ด, ดามเมื่อประกอบด้วยธรรมสามประกาศนี้ไม่มีทางผิด ไปจากแนวทางแห่งพระอริยเจ้าวันคืนของผู้นั้นนิ่งแต่ความเจริญถ่ายเดียวแต่บัด น, นี้เรามากันไปจำนวนมากทั้งมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำพร่าสอนเว้าวรอนบอกกล่าวแม้จะกินจะอยู่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะพูดจะคิดก็มีครูบาอาจารย์ คอยบอกกล่าวแนะนําพรัมสอนเว้าวอลอ้อนบอ น, บอ น, บอนให้กระทําจูเราจะไม่สําเนียกเราจะไม่สังบอลระวังเราจะไม่กระทําตามเช่นนั้นบ้างหรืออย่าปล่อยอารมณ์ของท่านให้เป็นไปตามอํานาจของเกตัญหาจงรักษาจิตใจของท่านสําเนียกสงบอลระวังถึงถ่อยคําที่ครูบาอาจารย์แนะนําพรัมสอนตลอดเวลาที่เรามาจู ในการบวชเน่กรมมจารีเนกรมมจารีนี้เราจะทำให้เป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดคือประโยชน์ทางด้านจิตใจเราจะฝึกเราจะคมเราจะทรมานคือการทรมานจิเลสไม่ใช่เป็นการทรมานจิตใจตนเองเมื่อเราทำได้เช่นนี้อินทรีย์ของเราบารมีธรรมของเราก็จะแก่กล้าขึ้น ก็จะเป็นผู้มีความกิปริกล่าขาแข็งเข้มแข็งทางจริยธรรมเมื่อ น, นั้นการเดินทางแห่งชีวิตจิตใจก็ไกลออกไปไกลออกไปจากความชั่วไกลห่างออกไปจากกิเลสตัญหากิเลสตัญหาที่มีอยูใ่ในจิตในใจก็จะเริ่มอ่อนเปลี้ยเพี้ยแรงกิเลสตัญหาเหล่านั้นขาดอาหารคือตามอกตามใจไม่ได้มันก็จะสู้ผอมลงผอบลง ไม่มีความเข้มแข็งที่จะมีอํานาจเนื้อจิตมีมากก็จะลดลงมีน้อยก็จะเหือดแห้งจืดจางไปล่มหายตายไปกิเลสเป็นโรคขาดอาหารตายเพราะเหตุ น, นั้นการบริโภคอาหารของเราในวันนี้จงบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์แก่ร่างกายเท่านั้นอย่าอนันบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์กิเลสให้กิเลสอุวนทน ตกรบนขึ้นมาเพื่อจะมีอำนาจเหนือจิตใจของเราเลยพระศาสาดาท่านที่กล่าวเสมอว่าการเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนั้นจะช่วยให้เกิดชาครธรรมคือความตื่นความม่่งเหงาห่าวนอนไม่น้อยปัญหาใหญ่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็คือความม่่งเหงาหาวนอนอีกอันหนึ่งซึ่งยังแก้กันไม่ตกแก้กันไม่ได้เลยบางท่าน ขอให้กำหนึ่ถึงการกินอาหารนี้อย่างพอเหมาะพอดีอีประการหนึ่งท่านจะได้ดูถูกดูแคลนข้าวปลาอาหารเท่าที่มีโยู่สิ่งนี้เราพอใจสิ่งนี้เราไม่พอใจสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งใดควรแก่เขาเข้าบริโภคเข้าหมกมุ่นเขาสยบโจอสิ่งใดไม่ควรแก่เขา เขาเพ่งโทษเขาติเตียนเรากล่าวว่าเป็นอุปเกเรของผู้บำเพ็ญตะบะท่านจะได้เลือกเลยบาอันนี้เป็นเนื้อเป็นปลาอันนี้เป็นผักเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นเจอันนี้เป็นมังสัิัตอันนี้เป็นมังสวิรัตที่สุนในธรรมวินัยนี้นักบวชในศาสนานี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้เพราะศาปดาว่าผู้ไม่ติเตียนอาหาร มึ่ติดในรสชาติอาหารในส่วนสองย่อมท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้งเว่นแหวนมุททัศรัตเถจระโตย่อมท่องเที่ยวไปทั่วทั้งเว่นแหวนอย่างอิสระภาพไม่ตำหนิติเตียนไม่ดูถูกโดเมนอาหารทั้งหลายย่อมสามารถท่องเที่ยวไปทั่วทั้งเว่นแหวนในอาณาจักรกันไพศาลเหมือนนกที่มีปีกเพียงสองข้าง สามารถที่จะโบกบอยบินไปสู่ที่สาพาคใดๆก็ได้ท่านจะได้ดูถูกดูแคลนว่าอันนี้ข้าวจ้าอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้เหมาะแก่เราอันนี้ไม่เหมาะแก่เราเชิญเถิดท่านผู้บำเพ็ญเนตธรรมจารีเนกธรรมจารีจงฝึกตนจงฝึกใจลดกิเลสตัณหาลงสโ่อาหารการปฏิบัติธรรมนั้นละเอียดมากนะัก ไม่เพียงแต่จะเป็นนั่งสมาธิให้ร่มไม้เท่านั้นหลับหุงหลับตาเพ่งจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเท่านั้นแต่มันละเอียดมากทุกขั้นตอนแห่งชีวิตไม่ว่าจะกินจะเดิมจะพูดจะจาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอารมณ์ต่างๆที่มันประดังประเดชเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ หนะ้าที่ตรงไหนมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการสัมผัส่างตายและมีความคิดมีอารมณ์แห่งจิตใจเกิดขึ้นที่นั้นแหละเวลานั้นแหละขณะนั้นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่เราจะต้อง